ตปัจจัี่รยห้าสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปจัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยปุเรชาตปัปจจัยมีสองอย่างคืออรารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอรารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายและรูปที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ และถึงโพธะภะและหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นเมื่อชาวนะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตูบา ท, ที่เป็นวิปากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรูปายตนะเที่ยวกรรมัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแ ก, จก่จักขวิญญาณคันทายตนะโพธ า, ายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ วัตถุปุเรชาตะได้ แ, ก, แก่จกักขาญตนะเป็นปันจจัยแก่จักขวิญญาณกายญตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปันจจัยแก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ โดยบุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณะบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุกายและรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโพธะะและหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือด้วยทีิพจักขุ วัตถุปุเรชาตะได้แก่หัวใจวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยปุเรชาตะปัจจัย454สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณบุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งรูปเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและถึงเสียงกลิ่นโภทพภะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงธงมนต์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือด้วยที่ประจักขู่ฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุสภาวธรรมเทือกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมเทือกรรม อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยบุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจงรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและถึงกลิ่นโพธพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณจึงเกิดขึ้นเมื่อชาวณจิต ท, ที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารม รูปายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่จักหูวิญญาณสธายตนะโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยบุเรชาตาปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยบุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอปุเราาชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและจักขายตนะเป็นปันจจัยแก่จักขวิญญาณสัทายตนะและโสตายตนะโพธายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาติปัจจัยรูปายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและหาไทยวัตถุและถึงโพธายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแข่งขันเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 ปัจฉชาต no ิปัจจัยและอาเสวนปัจจัย455สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวเพอปัจฉาชาตะได้แก่คันที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่กรณีที่เกิดก่อน ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน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 และทิ่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อ456สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ โ, โดยอาศวนณะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อกรร ม, มะปัจใจ457 สภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิย <qu> ึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน และกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทัยนรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 เป็นปัจจ <|ar|> ัยแก่สภาวธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยกร r มปัจจัยได้แก่เจตนาที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมถานรูปโดยกร r มปัจจัยสภาวธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยกร r มปัจจัยมีอย่างเดียว คือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กรรมอันประอกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากัปัจจัย458สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยวิปากปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือย่อบทที่มีสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบาก ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยวิปากปัจจัยและถึงขันสองอาหาระปัจจัย459สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบ ด, ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอาหารปัจจัยได้แก่ อาหารที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะเการีนกราหานที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่กลายนี้ที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กร้มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปเกลื่องกราหานที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้เที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอาหารรัปัจจัย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 เกวริญปราหารทีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอาหารเราปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอาหารเราปัจจัยได้แก่เกวริญปราหารที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแก่คลายนี้เที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอาหารับปัจจัยสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอาหารับปัจจัยได้แก่เกาเลียนกราหารที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 โดยอาหารับปัจจัยได้แก่เกลื่อกราหานเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเทือกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้เทือกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอาหารับปัจจัยสภาวะธรรมเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเทือกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 โดยอาหารรปัจจัยอินทริย์ปัจจัยเป็นต้น461สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะ อินทรียที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติฐานและขตัตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายอินทรีย์และถึงรูปปัจชิวิตินียเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ บทที่มีสภาวธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมูลมีสามวาระเฉพาะบทแรกเท่านั้นมีรูปปชีวิตินทีนอกนี้ไม่มีสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็ น, น, น ป, ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ก ร, รมัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยชานะปัจจัยมีสีวาระเป็นปัจจัยโดยมรคขปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัย สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัชชาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยวิบยุตตปัจจัย ขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบวิทธะปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบวิทธะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันทิฏฐิกรรมเันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยวิบวิุธะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่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 ชาชาตะได้ iner, galaxies, แก่ข <spong es. S 1> ันธที <icking> ่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทัยนรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยผู้เรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธทีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและจิตตสมุทัยนรูปโดยวิบยุตตปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันธที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยวิบวิตรปัจจัยสภาวะธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยวิบวิตรปัจจัยมีสองอย่างคือปัจฉาชาตะได้แก่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 คือ ส, so สหชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบิยตปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันธิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยวิบิยตตปัจจัย สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยวิบิยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยวิบิยุตตปัจจัย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 และเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยวิปวิตตปัจจัยอัติปัจจัยเป็นต้น4ี่สภาวธรรมที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอัติปัจจัยมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะหะหาระและอินทริยะ ย่อพึงจำแนกบทตามที่ตั้งไว้ให้บริบูรณ์สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะและอาหาระย่อพึงขยายบทตามที่ตั้งไว้ให้พิาร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 ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะและอาหาระย่อพึงจำแนกบท ต, ตามที่ตั้งไว้สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือปุเรชาตะ ปัจ ช, ชาชาตะและอาหาระปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและถึงเสียงกลิ่นรสโพธะะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัะจึงเกิดขึ้นเมื่อเชวนะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรูปรายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 เทกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและทิ่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอัติปัจจัยเก울ิยังตราหานที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่ไฟนี้ที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอัติปัจจัย๔๖๕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 เป็นป ja ัจจัยแก่จากผูวิญญาณโพธพายตนะที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและกายายตนะเป็นปัจจัยแข็งไฟวิญญาณโดยอธิปัจจัยรูปลายตนะที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและหาไทยวัตถุโพธพายตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข็งฐานที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเกวิงกราหานที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแสกัดตารูปโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะและอาหาระสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและมหาภูตรูป I i> เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองภูเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ โดยอธิปัจัยโพธพายตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและโกลิยกราหานที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่ไฟนี้ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจัย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 และที่ยกรรมอันประกอบพิจารณาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่กายนี้เที่ยกรรมอันประกอบพิจารณาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยกรรมอันประกอบพิจารณาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปัจจัยละถึงเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ สุทไน466เหตุปัจใจมีสี่วาระอะระมะนปัจใจมีสี่วาระอาทิปติปัจจัยมีสองวาระอานันตระปัจใจมีสี่วาระสมนันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิจิยาปัจจัยมีห้าวาระอุปนิจิยาปัจใจมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระ ปัจฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจใจมีสี่วาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียะปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมรรคปัจใจมีสี่วาระสัำยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระอัติปัจใจมีเก้าวาระ นัติปัจใจมีสี่วาระวิคตะปัจใจมีสี่วาระอ ว, วิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจจนียุทธาระ๔๖๗สภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเสปปัจใจอุเรชาตะปัจจัย ปัจฉชาตะปัจใจอาหาระปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอรมาณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจใจเบรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและอาหาระปัจจัยสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยสหชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและอาหารปัจจัย468สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมเที่ยงกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอารมะณปัจจัยสหชาติปัจจัย ปุปานิเสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและอาหาระปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอรมณปัจจัยอุปานิเสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมะปัจจัยและอาหาระปัจจัย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 นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีแปดวาระละถึงณสัมบยุตะปัจจัยมีเก้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระโนอัติปัจจัยมีสวาระโนนัติปัจจัยมีเก้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระโนอวิคตาปัจจัยมีสวาระ สปัจจญานุโลมปัจญียะ4ี่เจณอารมณะปัจจัยกระเพรตุปัจใจมีสี่วาระละถึงณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาเนสยปัจใจมีสี่วาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตปัจใจมีสี่วาระ ปัจยะปั จ, จนิยานุโลมส7 1ร้อยเจ็ดิบเอ็ดารมณปัจจใจขปนาเหตุกปัจจมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระเพิ่มเพิ่มบทอนุโลมมาธิกาและถึงอริคตะปัจจัยมี9้าวาระอุปาทินะทุกะจบมหาันตะทุกะจบ สิอุปาทานโคจกะ69อุปาทานะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กวามุปาทานอาศัยทิฏฐปาทานเกิดขึ้นทิฏฐปาทานอาศัยความุปาทานเกิดขึ้น Than, าากามุปาทานอาศัยสีและปตุปาทานเกิดขึ้นสีและปตุปาทานอาศัยกามุปาทานเกิดขึ้นกามุปาทานอาศัยอัตวาทุปาทานเกิดขึ้นอัตวาทุปาทานอาศัยกามุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่สามปียุตตขัน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กลามุปาทานสมยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยทิฏฐปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยกลามุปาทานพึงทำเป็นจักรนายทั้งหมดสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อุปาทานอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอุปาทานและจิตตสมุททานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นและถึงขันสองอุปาทานและจิตตสมุททานะรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 3. สสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่กามุปาทานอาศัยที่ถูกปาทานและสัมยุญตขันเกิดขึ้น เพืทำเป็นจักรนายทั้งหมดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานและมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกรามุปาทานและจิตแตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองพึงทำเป็นจจกขภัยใอารมณปัจจัยสี่ สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะอาริมณปัจจัยพึงเพิ่มเป็นก้าววาระพึงเว้นรูปหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ5เหตุปัจจัยมีก้าววาระอาริมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจยะปั จ, จนีย่ยหนึ่งวิพังขวาระน่เหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาสัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตะสมุฐานรูปและกะตัลตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเราอาศัยสัตว์พรมโมหะที่สหัโรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหัโรคด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่สหัโรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหัโรคด้วยอุทจฉเกิดขึ้นณอารมณปัจจัยเป็นต้นเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารมณ์ปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐามรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะประตัทตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง พึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศันยสัตยพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยอุปาทานและจำปยุติขันเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอาศัยอุปาทานและมหาภูตรูปเกิดขึ้นและถึงเพราะนอธิปติปัจจัยเพราะนัอานันตรปัจจัยและถึง เพราะณอุปาณิสยาปัจจัยนปุเรชาตปัจจัย8สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิราโมปาทานอาศัยอัตวาทุกปาทานเกิดขึ้นอัตวาทุกปาทานอาศัยรามุปาทานเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณนะบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิสัมยุทธขันธ์อาศัยอุปาทานเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นย่อมก้าวาระในอรูปราวจรภูมิมีอุปาทาน 2. ปัจยะปัจจนียะสสังขยาวาระ สุทนาย 9. นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอันันตระปัจจัยมีสามวาระและถึงณอุปาเสจยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมี9้าวาระณอาเซวนปัจจัยมี9้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระ ณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหน so, sí evet ึ่งวาระนมรคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระณวิบยุตตปัจจัยมี9้าวาระโนนติปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสวาระ 3. ปัจญานุโลมปัจญียะ ณอารามณ์ณปัจจัยกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงณอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระณปุรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุจตปัจจัยมีสามวาระ ณวิบยุตตปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยปัจญิยานุโลม 11. พารมณะปัจจใจกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตวาระเหมือนปับปฏิจจวาระ ผู้รู้เมื่อจะจำแนกที่ถูกปาทานพึงเพิ่มคำว่ากามุปาทานที่เกิดร่วมกัน